เรื่องสิกขามนาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายชชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับสิกขามนาเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่72บ